14. ลักษณะของจิตจิตสามารถรู้อารมณ์ได้เพียงครั้งละอย่างเดียวเช่นเมื่อโกรธอยู่แล้วเราจำสภาวะความโกรธได้สติจะเกิดขึ้นเป็นผลให้เกิดมหาคุโสรจิตขึ้นมาแทนเมื่อนั้นความโกรธจะดับไปเองเพราะจิตจะรู้อารมณ์พร้อมกันสองอย่างไม่ได้แต่สติเองก็คงอยู่ได้ไม่นาน ความโกรธอาจจะกลับมาใหม่อีกก็คอยตามรู้อยู่เนืองๆจะเห็นว่าระดับความโกรธจะค่อยๆลดลงและดับไปข้อสำคัญคืออย่าไปอยากให้หายโกรธเพราะความอยากให้หายโกรธเป็นอากุโซลจิตอีกตัวหนึ่งที่สติจะเกิดขึ้นร่วมกันไม่ได้